เป็นเครื่องมือช้ได้ทุกประเภทปัญหาต่างๆเป็นปัญญาได้เหมือนกับเสงเงินเสียงทองก็เสียแห่งปัญญาความรู้สึกตัวเนี่ยมองเห็นที่ติ่ทางก็รู้สึกตัวมันก็จบท่านั้นแหละว่าแต่เราให้ ให้มันตรงอย่างเนี้ยอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มาหาความรู้มันตรงเข้ามาในที่บทช่วยรูปแบบกรรมฐานช่วยบัพพะต่างๆช่วยกายบัพพะในหลักสติบัฐานเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะรู้ตัวลงหายใจบัพพะกําหนดลมได้ไ ม, มีมาก เครื่องใช้เครื่องมือที่เอามาใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวเอามาจักรกายจากจิตมันคิดกิดจิตตะบบพระเอาความคิดนั่นแหละเป็นภาวะที่รู้มันหลงในความคิดเอาความคิดนั่นเป็นพระที่รู้มันหลงเป็นทังกายอ ก, กายอะไเป็นพระที่รู้มีได้ความรู้ในกายมีได้ความรู้ในความคิดมีได้ ความรู้ในความทุกข์ก็รู้ได้ในความสุขในความผิดความถูกอะไหลรู้ได้ทัางนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยแบบไปจนอย่ายอมเชะก่อนใช้นี่เชืก่อนใช้กรรมาฐานเชืก่อนให้รู้สึกตัวเสื้ก่อนไม่จนนะบางทีความม่องก็จนต่อความม่องลืมความรู้สึกตัวไป ก็นอนชาเข้มแข็งสักหน่อยไม่ใช่ไม่หลับไม่นอนตรมรู้สึกตัวนี่จูนั่งนั่งเล่นเล่นอะไรก็ได้แต่นอนพักผ่อนก็ได้ถ่าถ่ายมันดูก็ได้ไม่ใช่สนุกถนอมลุยๆุยสักหน่อยเล่นเล่นกันแบมบันสักหน่อยสนุกสักหน่อย เป็นการสนุกสนุกหลงก็ดีนะสนุกทุกก็ดีนะอาจจะหัวเลาะเยิ่มในความทุกข์ได้ถ้าเรากลัว ม, มันทุกข์ที่ใดก็อู้เศร้าๆมัคิดที่ใดเกิดหละคะตอนหนาเกิดไฟบ่อที่ใดก็เศร้าไปนะมันไม่ใช่สนุกสนุกเข็นสนุก ทำให้มันมาแม้แต่มันคิดอะไรคิดมากเครียดนะคนไม่ใช่ไม่ใช่รักปฏิบัติคิดมากนั่นแหละมันจะลู่ธรรมะถ้ามันคิดลงไปเราจะได้ลู่มันขี่โคมันในนั่นเหมือนกับมันแข่งเราวิ่งแข่งแข่งขันกับคนอื่น แต่เราขี่คอคนที่วิ่งนั่นเหมือนกับเป็นอย่างนั้นนะมันจะวิ่งเร็วขนาดแล้วขี่บนคอมนันลนะอันชีวิตของเราเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนะสติขี่บนคอของความหลงขี่บนคอของความทุกข์ขี่บนคอกับทุกอย่างที่มันเป็นอกุศลทั้งหลายนั่นนะมันเป็นไปได้เมื่อแต่เราให้ชําลึกชํานาญ แต่บางคนจนน้าโศงโศนงอแงความคุ้มรอยคุ้มดีเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นนิสัยกรมสขันนาาที่โยโคสุขก็สุขไปเลยทุกก็ทุกไปเลยผิดก็ผิดไปเลยแล้วว่ากรมสขันนาาที่โหยโขหิรโขกมโพปุตุเจ้านโยไม่ใช่เป็นของพระเจ้าอนาริโยอนัตตะสันติโต ไม่ใช่เป็นของพระอริยเจา้าเป็นของปุรุชนเป็นของชาวบ้านเป็นของต่ามว่าเราได้มีมัมชฌิ ม, มาปฏิเห็นอย่านี้เป็นทางอันประเสริฐเห็นมันอยู่ในดงของอริสัจสีปุ๊บเบกไปเลยได้เป็นเชื้อโลกเข้าถึงตัวเชื้อโลกไม่ต้องพิสูจน์เลยวัตถวัตธรรมเนี่ย มัวถึงตัวโลกเป็นการศึกษาแบบบิที่อาศาัยค้นพบสําเร็จได้ในความหลงไม่ความโลภถ้าเป็นโลกงหลงควโกรธความโกรธเป็นโลกความทุกข์เป็นโลกความเกิดเจเจ็บตายเป็นโลกสติปัฏฐานเข้าถึงเชื่อโลก รักษาได้ทำได้ไม่หลงไม่หลงก็ได้ในทุกไม่ทุกก็ได้ในโกรธไม่โกรธก็ได้ในอะไรที่มันมีปัญหาปัญหาเป็นปัญญาได้ทั้งนั้นอวิชชาศาสตร์มันจางคน้นไม่จบไม่สิน้นแต่ว่าหลักพุทธศาสตร์ในการในใจเราเนี่ยกรรมฐาน เป็นวิชาที่ค้นให้จบได้ในชีวิตเราเนี่ยความหลงก็จบหลงความทุกข์ควงโกรธที่เลันหาจบลงได้มันโลกแบบนี้รูปโลกนม้มโลกโลกของลกูกว่านั่นจบไม่ได้โลกของนามจบมได้ควมโกรธความโลกความหลง เราจึงอย่าป่อยทิ้งใสใจซะหน่อยคมหลงไม่ใช่ว่าจะเดินอยู่มันหลงนงั่งสร้างจอดอยู่มันหลงควมรูกก็ไม่ใช่ว่าใจสร้างจะว่ามันลู้อาจะนอนอยู่ก็รู้ได้นั่งอยู่ก็รู้ได้อยู่เฉยๆก็รู้ได้นอกรู้แบบยิ่งดี ก็บตกมันยิ่งดีหน้าซึ่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนกอไก่ขอไข่อนุบาลนะทำเป็นแล้วก็ไปใช่ได้ทุกอย่างเหมาะแก่การงานเหมาะแก่การกระทำการใช้ชีวิตถ้าเราพวกนั้นเหมือนกับเราเรียนหนังสือให้เรียนจบแล้วไม่ต้องไปเรียนอีก อ่อานออกเขียนได้รูขวมหมายไม่ใช่รูตัวหนังสือรูขวมหมายแต่ว่าที่ดูตัวเองมันบอกเหมือนนั่งรถในถนนทางที่เป็นทางด่วนปีเวมันบอกป้ายจราจรมันบอก องให้เราปฏิบัติตามตูนังสือใค่เวลาเหมาะสมตามกาละเทศะรู้การมาใช้ชีวิตของเราให้ถูกการรู้เวลารู้สถานที่รู้แผนที่เราใช่ถูกต้องเหมือนคนขับรถ คนปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นเราก็มันบอกให้เราได้สะดวกนี่กามะลาคามาะคาามันทำให้เราสะดวกนี่คือพยาบาทมันทาให้เราสะดวกนี่คือพวกมั่งเหงาหัหนอนมันทําให้เราสะดวกนี่คือกพวมพุ่งซ่านทําให้เราสะดวก นี่เคืออนลงเลยสงสัยทำให้เราสะดวกเหมือนจลาเหมือนป้ายจลาจรทางหลวงทำหเราได้ปฏิบัติถูกต้องกับชิงเหล่านั้นถูกต้องมันก็มีอยู่มันมีอยู่ความถูกต้องความดับไม่เหลือรูลแล้วนะไอ้สัตว์คือคําไม่ เหตุให right ้เกิดท Ar ุกข์มีอยู่เราได้รู้แล้วเราทําไม่แก้งแล้วเราได้ได้แล้วแล้วก็ไปพ่อมกาเจ็ดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาเรามีสติกลับมาหาสติในอลิสัตเลยทีเดียวดูแล้วทําให้แล้วหมดแล้วมารู้แล้วกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตไปแล้วนะทําให้รู้แล้วผ่านได้แล้วดีดีนะ ก็ตือหรืองลน่นมีใครๆคก็มีมะลาคา่ะพยาบาทใครก็มีแต่ถ้าเราจะมาทำเลยเแล้วบวกให้เพร่เมตตาปยังคนเป็นศัตรูขั่วฤกษเพ่ไม่ลงมีแต่แช่งสักหักกระดูกอย่างนั้นจำนี้บางทีนั่งปฏิบัติ น้ำตาซึมคิดถึงคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์จะเพยเมตตาไปขนาดนั้นไม่ได้มันหักตามผ้าด้วยเขาขึ้นหน้าผามันชันมันยังเป็นอยู่มันไม่เห็นไม่ต้องไปเพยเมตตาตอนนั้นไม่มีสติในก่อ น, นเอาไว้ก่อน นิสตีก่อนจะแผ่เมตตาขณะที่มันโกรธมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่งหัวมันเดอะมันว่าไม่ได้มีแต่มันจะว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำมาจาึงทําบุรุอย่างนั้นทำมาจึงทำบุรุษนี่ก็ปุง่งแต่งให้ตัวเองหนักเข้าไปไปใช่ลักษณะท่าลักษณะความถูกไม่ถูกที่ใช่ไม่ถูกที่ไม่ถูกการไม่ถูกเวลา มนามีสติเช่ก่อนอยา่าเพิ่งไปเพยเมตตาขณะที่มันพยายามบดไม่สติกับมาเชก่อนรู้เชก่อนเนื้อมันจะเป็นไปเองต่อไปมันก็มีละปนเมตตาค็ณนาอกหน้าออกตาถ้ามีสติเราง่ายง่ายไม่มีอะไรชีวิตนี้มีเมตตาเป็นใหญ่การใช้ชีวิตเนี่ย คูกรรมัสติมีสติก่อนมีเมตตาเป็นธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็วางได้มันก็สะดวกเลยไปว่าสิ่งแวดล้อมทําไม่สติสะดวกเกิดขึ้นเหมือนเราจะปลูกจะฝังเม็ดพืชเม็ดผักที่แรกก็บุกเบิกไปก่อนให้มันเป็นรูเป็นทางไปก่อน ป่าหญ้าป่าพงควรถยให้มันโลงมันเตี้ยนพลิกหญ้าขึ้นกบไปใต้ดินอไว้ลงไว้ใต้ดินมันก็เหมาะที่จะปลูกลงไปสติเป็นการบุกเบิกชิ่งที่คูกค่กุกกะเหมือนกับมันคืนมีไม่สะดวกสะดุด พอมีสติก็ค่อยลาบลงลาบลงลาบลงน่าทำก็เกิดขึ้นเหมาะใจการปลูกระเบันมีเมตตากรุณามีการให้อภัยมีศีลมีธรรมเปิดขึ้นถ้าเป็นสติก็เหมือนเมล็ดพืชงอกงามหน่อยถ้ไปปลูกบนที่มันลกหลงหลังมันก็ไม่งอกไปงาม ทำมะไลงไปก็ได้จะยุ่งจะยากไม่เปล่าการละคะก็เกิดลุกขึ้นมาไม่มีสติไหลไปมีเพา่มยินดีคอยตามนันที่ละคะพอใจไม่รู้จักสติมันก็ลกุกยาบาาก็ไหลไป ไม่มีสติมันก็ลุกมันลุกพวก่วงก็ออนลงม่วงใจก็ไหลไปออนลงหนขวยหาที่เราที่นอนก็ลุ ก, กนั้นมีสติมันปราบมันพูดหรอนใบมีดแท็กเตอร์มันปราบลงปราบฟังเสกอ่อนการพยายามเปลี่ยนหลงไป็ลู่นี่คือความเพียร รวมเพีย้ยนทำเรื่องภาวนาขยันลูกทําเรื่องไล่เป็นเรื่องดีงานไล่เป็นดีกรรมลักะเกิดขึ้นมาเป็นภาวะที่ลูกจะเป็นยังไงปริบัติเกิดขึ้นมาเป็นภาวะที่ลูกรวมพวงเหงาเกิดอ๋อหนอนเกิดขึ้นมาเป็นภาวะที่ลูกรวมคิดลงเดีงจงใจมาเป็นภาวะที่ลูก วอมพุ่งสอนเหมือนคิดเหมือนไก่เขีย่ยมาเป็นพระว่ิูรยิ่งคิดมากจิงรู้มากเนี่ยมันจะไปได้เลยไปไม่รอดไม่จริงความรู้สึกตัวมันจริงผ่านไปตรงไหนเหยียบย่อมไปเป็นจักแห่งธรรมในหลักอริยสัจสีไปเลยล่ะทุกรู้ร งานมั น, นทำาะไรตัวนี้รู้แล้วผ่านได้แล้วหลงรู้ผ่านไดแล้วไปทางไหนผ่านมาได้ความรูผม้ผ่านมาผ่านมาไหนที่เราสวดพระสูตรทุกรู้แล้วสมวิทยแก้งแล้วในรูปพ้นมาแล้วมักจเจริญมาก จเจริญมา ก, มากทำไมมากรูมา ก, มากนักคือดูเคเห็นเคเห็นมากมากมากมในคราวเดียวกันเลยกับเราสร้างจังหวะประกอบความเพียนกรรมฐานไปในคราวเดียวกันเลยมาเป็นพวงเลยไปเป็นพวงพุ่นไปเป็นพวงก็จะมาถึงความรู้จึกตัวมันพ้นไปแบรกไปรูอะไรก็รูหลงรูหลงรูมันก็มีพลัง นี่กรรมฐานนี่โดยเพราะสมบัติฉัญยบผ้ากายบัผ้าเนี่ยเพียงพอเป็นเครื่องทุ่นแรงที่เพียงพอมาใช้กับควมหนักหนาสาหโหดของวิหลยปพันห้าตนาร้อยแปดเพียงพอเลยเชีวยวแต่ทุกขนาดไหนจะเป็นยังไงเพียงพอ ก็ว่าทุกๆตนัน่ะถ้ามีสติแล้วมันเบาเบาเลยถ้าไปใจทุกเป็นทุกคนหนักหลงเป็นหลงหนักหนักคืออะไรคือพาละยึดไม่รู้เป็นตัวเราขันทั้งห้าเป็นของหนักเนออุบทตานขันตังห้าเป็นของหนักเนอ อะไรก็เป็นตัวเป็นตัวนวดมันไม่เบามันผ่านไม่ได้เหมือนมักเหมือนสติมันทําให้ลาดเงินเห็นเนี่ยรูเนี่ยคือเห็นนะเรียกว่าที่รูเหมือนหน้าโลกเรามาเรียกว่าสติที่จริงๆมันเป็นหน้าโลกกปะขีณาศกผู้มีสติเป็นไปไหน มีหน้าโลกลูกโลกไม่ใช่สตินะจริงๆเป็นหน้าเป็นดวงตาภายนในที่มันหน้าโลกมันเห็นเห็นมันลาบนะหน้าเป็นนี่ยมันชันเป็นหน้าผาเป็นฝั่งถ้าเห็นนี่มันลาด มันลาดลาดขึ้นง่ายข้ามได้ง่ายไม่ชนไม่เป็นกำแพงไม่เป็นสันกำแพงไดเห็นเนี่ยถ้าเป็นเนี่เป็นสันกำแพงปีนได้ยากได้เห็นนี่ยง่ายเรียบๆก้าวข้ามได้ขึ้นง่ายในวันหน้าโลกก็ไม่มันง่ายที่ ทำให้ตัวยากทำไมเป็นสุขทำให้ตัวเองยากเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองยากเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้ด้อยเป็นผู้เสียทำให้ตัวเองยากสร้างปัญหาให้ตัวเองถ้าเห็นเนี่ยทำให้ตัวเองง่ายสะดวกถ้าเราสร้างปัญหาตัวเองคนอื่นก็มีปัญหากับเราด้วยถ้าเราสร้างตัวเองให้สะดวกคนอื่นก็สะดวกไปกับเราด้วย ได้เห็นรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วเรารู้ได้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจะเรายานเกิดขึ้นแล้วจะเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วจะเราในความหลงคนเจ้าคนหลงคนนีพพานไปแล้วความหลงนิพพานไปแล้วนิพพานชิมลองไปแล้วนิพพานน้อยๆไปแล้วในความทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ไปพุทุกนิพพานในความทุกข์นิพพานไปแล้ว นี่พานคือหมดไปแล้วหมดไม่ยิงก็หมดไปมาที้วก็หมดไปหมดไปไม่ใช่ในพางคือตายมันผ่านได้หลวงหลงก็ผ่านได้ความทุกข์ก็ผ่านได้ความผิดก็ผ่านได้ความถูกก็ผ่านได้หลวงโกรธโลภหลงก็ผ่านได้สะดวกชีวิตสะดวก แต่ไม่เกิดความสะดวกอาใสกรรมาฐานเป็นเครื่องมือหลบภัยก็ได้สะดวกก็ได้เหมือนฝึกขนตนเองแล้วก็ทำให้สนุกสนุกสนุกหลงสนุกทุกก็เลยไม่เป็นเรื่องยุ่งยากเหมือ น, นกับคนสนุกทำงาน งานเป็นเรื่องเล็กถ้าคนไม่เคยตองหมามงานก็เป็นเรื่องใหญ่เ้าคนเคยทำก็งานเป็นเรื่องเล็กอาบเหงื่อก็เหมือนอาบหน้า ม, มนสนุก่้าคนขี้เกียจเราทำอะไรก็ยากเราจึงภาวนาขยันขยันลูกเนี่ยนันก็มันก็จะขยันไปหลายอย่างนะ ขยันรู้ก็ขยันไปหลายอย่างเกิดความดีไปหลายอย่างถ้าขยันรู้คุณธรรมเกิดขึ้นเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งหลายเป็นกุศลเราหลงมากเรวลู่มากน่าห ล, ลงแหละการันของเราพอใจเถอะในความหลงกนะ็ตื่นหรือรุ่น ให้มันรูในความหลงนุรูไหมยี้น้อยสนุกหลงไหมพอ <laughs> ใจในความรูมีมีมีหลักหายใจเข้ามีโอกาสหายใจออกเนี่ยสนุกนะหายใจใถ้าจับมาศึกษาดีหายใจออก อ้อท่าเรียกว่าหายใจออกไม่เข้าอยู่แล้วก็สนุกนะลองดูซิไมใ่ให้มันเข้าดูซิสนุกนะอย่าเป็นทุกข์นะโอ้ดีดีดีเอาไปมาไม่ต้องหายมันหายเมื่อไหร่ก็ไม่ไโลมันเข้าเมื่อไหร่ก็ไม่ไโล่น่าตั้งใจละยากทิ้งไปเลยการเอาทิ้งเนี่ยมันดีเดินเต้นรำนอมไม่ดีนะรูปเนี่ยทิ้งเลย รวมทุกเนี่ยทิ้งเลยควมสุขก็ทิ้งเล ย, เลยอะไรที่มั น, มนบิดเนี่ยมันทิ้งเลยเถอะอันทิ้งน่ยมันดีนะไม่เหมือนขยะนะอันรูปน้ำเนี่ยทิ้งมันเลยนะขยะอย่าไปทิ้งนะต้องทิ้งให้ถูกที่มันจึงจะใช่ได้อันรูปนามรูปทำน้ำทำเนี่ทิ้งเลยทิ้งเราไม่ใช่ได้นะ ของที่ทิ้งเนี่ยมันใช้ได้นะลูกทําน้ำำนําทํานยถ้าไปยึดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยแล้วเมื่อทิ้งไปแล้วมัใช่อีกโอ้มันดีกว่าเกา่าดีกว่าเกา่าถ้าเราสนอมมันนะมีแต่มันจะโทรมลงไปเอาบนทิ้งไปหายใจไม่ได้กว่าทิ้งไปเลยลงหายใจเนยะมันปวดกว่าทิ้งไปเลยไม่ เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดพิ้งไปเลยเอาไปมาก็ดีนะไม่มีอะไรทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในรูปใน น, นามแน่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยโอ๊ยเจ้าทุกข์เจ้าโทษอะไรก็เป็นทุกข์เปาะบ่องขวมคิดก็เป็นทุกข์เอาสิ่งภายนอกไปเป็นทุกข์เอาสิ่งภายในไปเป็นทุกข์มันก็จะอยู่รอดได้ไงไหวยังไง หนักนะอะไรก็ภายนอกมาเป็นทุกมาเป็นฉุกในรูปในน้ำก็เป็นฉุกมาเป็นทุกมันก็สงสารรูปสงสารนามไม่ต้องออกมาเป็นฉุกมาเป็นทุกมิได้เห็นนี่มันเบาเบานี่ยเนาะเอละพูดในฝังเท่านี้ตอนเช้า